ถูกนะอาจจะถูกเราคาดถูกแต่บางทีเราลืึหรือว่าเราเราเราไปคิดมันไปคิดล่วงหน้าคิดว่ามันจะแค่แน่นะบองที่บางอย่างเราคิดมันถูกมันถูกอยู่หละแต่บางทีเรารู้ว่าเราละโมบไปคิดเนะคิดว่าต้องทาแบบนี้แน่เลยอันนี้ก็แป็ระสบการ โยงความในตัวโดวยตรงจิตกับขนานกับการเปิดดาเนาะีแบบ้แจงค่บเบอร์ติดังใต้หูบาทีใยกแล้วบาง ท, ทีเราก็รากระดัง เ, เมื่อยกรวดีเนาะ ก็เลยอยากนั่งหรือบางทีเราก็เหนื่อก็ดีเลยกำลงอยากไดนั่งหรือว่าใครอยากได้พวงะอยากได้ได้เลิกปฏิบัติสกทีบทีก็ไม่ก็ไม่ได้เลิกนูฝกสีนะนะแต่ให้เราเป็นประสบการณ์บางทีจะตึ่งคิดล่วงหน้าวันทีเหมือนที่หลวัดอเตียนนะท่านบอกตอนที่อาการมาสอบเลย มีคนมุ่ว่าข้างหน้าเป็นป่ามีเสือถ้าจะให้เดินข้ามป่าจะกล้าไนะหมบางคนก็คือยังไม่เจอเสือกนละัวก่อนนะกลัวก่อนนะกลัวว่าจะเจอเสือนี้คือเราก็คิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าว่าต้องเจอแน่เลยเสื อ, อใต้สุดเสื อ, อใต้ บางทีพอล้สังเกตนะบางทีเราบางทีเราเจอเราจะเจอใครสักคนต้เช่นผมว่าเป็นคนที่เรามีข้อหน้า <c oughs> อาจจะใจมีเรื่องอะไรกันบางทียังไม่ยังไม่เจอเนาะแต่เราจิตแจเราแค่เครียดก็แลคือว่าบางทีช่วงนี้ยังแค่ก้าวพูดจะ้อยึงไต้องมีท่าที่ยเย็นไปเลยไหม เคยเมั่อย่รงที่หลวงพอ้องทีคนใช้นะบางทีไปหาหมอหมอจะขีดยาให้ยังไม่แทนเกีดตอ่ะกลัวนะใชกลัววิตกของบลในบางทีนี่นิดหน่ยหน่อยนะบางทีอันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาสัญญาคู่ฟังที่เราจำได้จำได้ว่าประสบการณ์ในทีนั้แบบไหน ที่เราจําว่าเจดเสือมันต้องน่ากลัวเจอคนไม่ดีเราเราจะรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยหรือว่าบางคนเคยมีประสบการณ์เช่นเจอสุนัตัดพอเจอเจอสุนัขป้มาก็มาทีของกลั ว, วเกิดสุนัขอันนี้คือประสบการณ์ก็คือสัญญา สัญญาที่เราจำได้จำได้แบบนี้แหละมันทีมันจะปรุงเร็วมากว่ามันจะเกิดความกลัวเกิดความเคลียรเกิดความรักเกิดอะไรก็ได้แต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะมันทีสัญญาณรงนี้เหมือนกันใน่ไหมสัญญาไม่เหมือนกันอย่างเราไปเช่นไปร้านอาหารแห่งหนึ่งะนะเราคนรู้สึกวสชาติแบบนี้เรียกว่าอร่อยแต่สำหรับเราเนะี่ยสำหรับเรา คนญี่ปุ่นมากินอาหารไทยบางทีฝ่าจะรู้สึกว่ามันมันนม่มันเผ็ดเกินไปนะหรือบางทีก็ด่งมากินอางทีเขาก็แบบนี้มันมันเรียกว่าจัดเกินไปเลยนะมันไม่เหมือนกันเมื่อทีสัญญาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางทีมันก็เลยมางทีเราไปหลงสัญญาเปหนงสัญญาก็ดูดีมากดูดี ไม่ใช่ว่าสัญญามันผิดหรือถูกนะแต่เราให้เห็นว่ากระบวนการในจิตเนี่ยมันเด่นมากพอได้กินอะไรหรือพอคิดอะไรมันจะเอาสัญญาเก่าๆของเรามาปรุงนะมาปรุงที่รักในชั่งนี่ชอบนี่กลัวนี่อะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดความรู้สึกตรงนี้เขาเกิดความรู้สึกตรงนีน้มันจะคอยทําให้เราหลงนะทำให้เราหลง เราคอยดูดีๆนะอ่คอยดูดีเหมือนเด็กบางคนใช่ไหมพอเจออยู่ในที่มืดเนี่ยก็กลัวกลัวผีเพราะว่าอาจจะเคยถูกโบกปังหรือเคยโดนหลอกให้เชื่อก็มีผีที่สัญญาเหมือนกันแต่สัญญาบางอย่างก็ดีแน่นอนเช่นนเราลองพอเราสุขติ สติเรลองปัญญาจํานะเป็นการจําด้วยแล้วก็สติด้วยคอยจะรู้รู้ว่าเรื่องเราเดินแบบไหนยกมือแบบไหนวานหน้าแบบไหนวางใจแบบไหนมันรู้สึกพอดีมันผ่อนคลายมันจะบายมันก็เอาความรู้เรื่องแบบนั้นมาเตือนตัวเองก็ได้พ็เดินจังหวะแบบนี้มันพอดีนะ หรือบางทีแต่งยามันก็จำแม่ว่าเขาทำแบบนี้ยังไม่พอดีทำแบบนี้มันเกลงเกินไปนะมันเครยียดเกินไปนะเจ้ามือมันเครียดเกินไปมันก็จำได้นะจำได้มไม่พอดีแต่สังเกตไหมบางทีแม้เราก็พอดีในขนาดนั้นเช่นเรา ว, ว่าเรานั่งสบายแล้วนะพอดีแล้วนะแต่มันคงที่ไหม บางเทียเรายกมือเหมือนกันนะเรายกมือไว้จังหวะสบายแล้วพอดีแล้วแต่ยกไปเรื่อยๆมันรู้สึกตัวตลอดไหยบางทีก็ไม่ตลอดบางทีก็ยกจนเป็นจังหวะมาเสมอเดินไปก็ก็หลงนั่ไปคิดนะใช่ไหมบางทีง่วงพอง่วงก็มาแทนที่ก็ไม่เคยรูย้สึกตัวบางทีมันก็ไม่พอดีเพราะว่าพอดีไม่เป่ตลอด จะพิจารณารู้ว่าเออจะแบบนี้ยประมาณนี้พอดีหรือว่าอาการแบบนี้มันมาแล้วแสดงว่าความง่วงมันจะมาแล้วใช่ไหมเริ่มซึมซึมมาแล้วอ่าประตั้งใจมากขึ้นหือมอง ใ, ใกล้ๆได้มากขึ้นนะฮะคือมันก็สัญญาณก็เริ่มได้ว่าทั้งที่ถูกแล้วก็ที่ผิด อ, อันนี้ในการภาวนา โดยทั้งให้เราไประวังเวลาเราสัญญาณอดีตมามาปรุงแต่งสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้เรารู้ทันว่าไอ้ที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงเราเชื่อเพราะว่าสัญญาเก่ามันปรงแต่บางอย่างนี้ไม่เกิดไงต้องต้องดูดีนะโดยเฉพาะการเป็นเราเกี่ยวข้องกับคนบางที เราคิดว่าคนนั้นเขาเขาไม่มีหรือเขาไม่มีคองมรับที่ชอบบางทีเราก็ตัดสินเข้าไปแล้วเราเนนรตัดมันนอตลอดแต่บางทีครัหน้าเขาอาจะเปลี่ยนก็ได้หรือเขาอาจจะดีขึ้นเราก็ได้บังทีเราเอาภาพปรอดีตของเราที่เรารู้สึกตรงนั้นซึ่งไม่รู้ถูกหรือผิดอ่ะแต่คือเราให้ค่าวเราเนนีะ่มาเป็นประสบการณ์ในการตัดสินคนในเรา เราต้องระลวงนะดูดีๆนะดูดีถ้าคนที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆนะอันนี้นะั้นเราก็รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนเขาทาอะไรอย่างไรเรารู้แต่ก่อนที่เราจะไปกังวลว่าต่อไปเขาจะทำอะไรนะ่เราก็ไม่ไม่ไม่เชื่อความคิดนนะอนะอขนนะอเราจะเห็นนะแต่เราก็คาดว่าน้อ้เขาประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่เชื่อเราจะเห็ว่ามันจะต้อ ง, งเป็นแบบมั น, มนจะมีการเผือใจ เกิดใจก็มันไม่ใช่แบบเชื่อว่าจะเสี่ยงว่าเป็นแบบก็เกิดใจอาจจะเพราะนั nhà, ้นเมื่อมันขีจากที่มันเอือไปมันก็มันก็รู้นึงมันก็มันก็เกิดขึ้นได้นะก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้เชื่อแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับนี่ยคือเราพยายามดูปัญญาที่เราให้ค่าอะไรเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาซึ่งบางทีมันมันเกิดขึ้นนอ ก, กนรูปแบบนะบันทีมันเกิดแล้วเริ่มขึ้นมาเราต้องรู้เพียงทันทนะรู้มันจะเป็นการเดือนเพิ่ให้เรามีสติได้ถ้าสติเราทานไม่เหเป็นกา ร, รปูนแต่งในจิตใจที่กา ร, รปูนแต่งในจิตอ่ะใช่ไหมเหมือนสมัยนี้เรวก็เราแช้แบบใ้ลายน ถงก็เราเปิดอินเทอร์เนะ็ตลอดนะเขามีไลน์เข้ามาก็ส่งเสียงนะ่ะถ้าเราไม่ถ้าเราเปิดเดี๋ยวมันไปติ้งติ้งเนื่ยติ้งเลยแต่นระหว่างเอี่คิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีคิดขึ้นมามันก็เหมือนมีสัญญาณเ ต, ตือนพอสติเราเห็นเนาะคิดแล้วเนาะลงแล้วนะไม่ไดนะ้ไม่ได้ไดเห็นขนาดที่เห็นก็รร พอเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเช่นเราจะเรายกเงินพอกวาคิดมันแตรกเข้ามาต้อ่าเห็นแล้วอ่าก็ทุกคอ่ะไม่ต้องดีแต่เราไม่ต้องไปเปิดดูไม่ต้องมีคิดว่าทำไมมันถึงถึงนั่นนะอันนี้คือตอนที่เราปฏิบัติเราก็ต้องให้คิดซะเบาๆให้คิดแซะวบาๆเราใส่ใจว่าตอนเราทำมาอะไรก็ต้องตร้างเสรีคิดอะไรแล้วก็อ่านคิด เช็คเสร็จแล้วก็วางไม่ได้เหมือนเราเช็คเนี่ยเช็คข้อมูลจากรายจากเงินเดือนเช็คเสร็จแล้วก็วางไม่ใช่เช็คแค่นี้เสร็จแล้วก็ไปดู้นั่นดูนี่ต่อที่มันใช้สารละเชนนีนี่มันก็ถกจะทําให้เราเสียเวลาเมื่อนกับบางิดเริ่มแรกเราคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องที่เป็นสารละเป็นประโยชน์แต่เราไปไม่ได้คนคิดอะไรสารละพักสาระทีให้เราก็ต้องดูดูแบบนี้ด้วย มาเป็นการเตือนนะแต่ถ้าเรามีสติแต่แจ้ได้ยินได้ยินเสียงผิดที่เกิดขึ้นแทรกเข้ามาในในจิตใจพดัะการดูจิตดูใจเนี่ยเราดูผ่านตอนที่เราตั้งใจทําทําการทํางานรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงกรอมฐานในสักอย่างเนี่ยพอรูไปเรื่อยลความคิดมันแทรกเข้ามาอารมณ์แทรกเข้ามา มันจะเห็นของมันเองเราไม่ใช่แบบคอยไปหาดูไปหาเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดูว่าเราไมไ่รู้สึกอะไรไม่มันคอยไปหาเราคอยจ้องดูว่ามันแดดด้วยส่งส่งข้อความมาเราเนี่ยจิตจะตะ้องถดถอยไปเลยนะฮะต้องดูผ่านผ่านงานที่เราทําในปฏิบัตนนิมันจะทําให้คือมันจะทำให้เราไม่ไม่ติดคอยหลอดู ไม่ไปคอยจ้องดูเราก็รู้สึกของเราสบายๆมันเกิดขึ้นก็จะเห็นมันเองมีใครถามอะไรกชิญนะมีความเย็เปาม ซาวนาแล้วเป็นไงรู้สึกผลของเนีว่ปัดจจตันปจจตังรู้ได้ด้วยตัวเราเองไหมรู้ได้ด้วยตัวเราเองไหมว่ามันดีขึ้นมันเสือ่อมลงอ่ารู้กัน รสึถ้าเราทำงานจริงเราเห็นนะเราจะเห็นรู้วจิตมันดีขึ้นไหมจิตนเสื่อมงงใครไหมมันดีขึ้นแล้วดีใจไหมมันเสื่อมงงเสียใจไหมดีเลยนะบางทีเอาปฏิบัติธรรมาคนพอปฏิบัติแั้วมันมันดีดีดีดดีต่อแน่ต่อสามสี่วันนะ ก็มีเหตุการณ์มีอะไ ร, รต่างมากระทบทำให้แบบเรปรติอารมณ์ทำให้จิต ด, ดีมันโตลงไปก็เสียใจเสียใจไม่ใช่แค่เยแต่ีเดืองโกรกคนที่ที่มาต้องขวนมาต้อวนทาให้อารมณ์ดีๆมันอารภาวนาดีหายไปไปอยโกรก คนอื่นไว้ในนนี้ที่จริงเหตุเพา อ, อะไรเหตุเพราะหลวคิดว่าอารม์เป็นเราจริงๆนะถ้าเราดูดีถ้ามันเป็นเราจริงๆเราก็ต้องบังคับเราก็ต้องอรักษาเราจะต้องคิดยันไรปก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมถ้าเราดูดีเวลาแบบนะี้เจออารมณ์้องถามไปเอง มันเป็นเราจีิหรือเปล่าอารมณ์ดีๆน่ะเป็นเราจริงหรือเปล่าอืวามสุขๆน่ะมันนะเป็นเราจริงหรือเปล่าถ้ามานันหายไปแล้วเนี่ยเราเรียกกลับมาไม่ได้ถ้าเราเสียดายอะไรวนเพราะเราคิดว่ามันเป็นเราจริงมันหลงไปมันลืมทั้นนั้นมันก็ลืมตัวนะมันก็เลยเสียดายมันก็เลยปี๊บไม่รู้ตัววา่ากำลังยึดบปี๊บอะไร าบาภาวนาเนาะบางทีเราก็บาเพิ่มภาวนาแล้วอารมณ์ดีๆ น, นะเราก็ชอบพอใจแต่ถ้ามหายไปเจริญธรรมต้องเสียใจนะเมือ่อไร่ที่เราชอบเมื่อมันหายเราก็จะเกิดความอะไอรอับอวลแต่ถ้าชอบเกิดถ้าอารมณ์ดีก็แค่รู้รู้ว่าเรา้มันสบาย รู้ว <acceso. S 1> ่าเราเนมันดีรู้ว่าเราเล่นมันตื่นตัวรู้ว่าเขาไม่ติดอ่างั้นอ่ะพอออกไปข้างนอกพออารมณ์เปลี่ยนเป็นเชื่อนใจมันก็จะข่อยอดรับมันได้หรือไม่เกิดเกิเหตุการณ์อย่างมันทำให้เกิดทุกข์เกิดอะไรระระแสเราก็มีเราก็ต้านแบบไหนได้นะอืมคนที่มีสติจะต้านแบบให้หายไปแล้วไหน แล้วเจ๊นอยู่นะล้มละลายถ้าคนที่มีความเพียรมีอปัญญานะครับหายไปแล้วก็หายไก็สร้างใหม่นะก็ตัง้งแบบใหม่แบบแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็เงินมันหายแล้วก็เสียดายแล้วก็จมกับอดีตที่เคยที่เคยมีที่เคยได้นะก็ไม่มีคือปีกใจที่จะ ทำบันนี้หรือทำภาวนาเพื่อมันดีขึ้นการภาวนาก็เหมือนกันนะบางทีเช่องแรกบางทีก็มีขึ้นๆลงๆมีดีบ้างมีแย่บ้างบางทีเจอผลกระทบแล้วก็เราก็ู้สึกเหมือนรู้สึกไม่ดีนะรู้สึกอรู้สึกว่าการกรภาวนาแต่เนี้ยมันมันไม่มีคำตอบนี่มาแต่จริงมันก็เป็นช่วง ให้เราได้มาทดสอบดูบางทีเราก็ประมาณตอนที่ชีวิตเราไม่มีปัญหาเราก็รู้สึกเราไม่ค่ยทุกข์เท่าไหร่แต่พอเจอปัญหามาทดสอบน่ะนั่นของจริงละเออเมื่อกี้คือมันดีอาทิตย์ที่แล้วเท่นนะแต่พอมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเห็นได้ว่าเราทุกข์ใจเห็นว่าเราวลงไม่ได้เนยมันเป็นตัวทดสอบเป็นอาจารย์ที่ให้ข้อสอบเรา เราไม่ผ่านเนี่ยเราก็รู้ตัวเต่ก็ไม่ผ่านนี่คือปัิจจตนะัน่ะเรารู้ตัวแลออ้เราไม่ผ่านอารมณ์นี้นะเร า, เออเราแพ้หมดแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่มันเป็นการเปิดให้เรารู้ว่าไอ้เมื่อกี้ที่มันยังสุกสบายไนมะ่เค่าทุกเนี่ยมันยังไม่ใช่อของจริงมันยังเพียงแค่เราไม่เจอตัวทดสอบนะยังไม่เจออารมณ์ที่มัน มันกับเขาเรื่อมนโดมจิตโดนใจจิตใจนคะือเราก็จะไม่ประมาณเมื่อมันดีเมื่อมันสบายเราก็ไม่ประมาณที่เกลียดที่คานเราก็ทำตัวเกลดของเราต่อหือเมื่อมันเจอเราโดมันผ่านไม่ได้เราก็ไม่คลอกไม่ถอยเราก็ไม่ใช่ดีทำไมภาวนาแล้วมันมันเป็นแบบนี้อีกแล้วนะอ่ามันทูกแบบนี้อีกแล้วเหมือนคล้าย เคยโทรถ้าภาวนาะหลายปีหลายเดือนก็เห็นไม่เห็นก้าวหน้าก็ยังโกรธเือเดิมก็ยังโงมเหมือเดิมอยู่แต่ที่จริงถ้าเรามีความมั่นคงจริงมันเป็นการบอกให้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนีนะ้คือจุดอ่อนของเราบางคนคิดโกดรธเจออารมณ์กระทบระโกดธง่ายมันเป็นการเตือนเป็นการบอกว่านี่จุดอ่อนของเราพอมันสติมันเห็นออก พอไม่พอใจจะขึ้นมามันจะเห็นได้เร็วขึ้นเพราะหนึ่งจิต่อนเราไม่ละเนี่ยเรื่องความโกรธบางคนก็จิต่อนเรื่องความรักเรื่องความโกรธอะไรบางอยา่างนะบางคนก็จิต่อนเรื่องเนี่ยความอยากนั่นอยากนี่นั่นคือจิต่อนที่เขาชี้ให้เห็นว่าจิตอ่อนของเราอยู่ตรไหนเ่ยมันทําให้เราเห็นแต่ก่อนเนะี่ยเราก็ ทั้งเป็นด้วยแล้วก็เราแลุ้กไม่ได้พอทุก็ทุกไอาการท่ามันมันอีกมแห่งมันเนาะคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนอยู่กัดเราอ่ะเรามีรู้ตัวว่ายู่มันกัดมันก็ดูดเพื่อเราได้อีกนะแต่ตอนไปเนี่ยมันกัดเราเรารู้หัวแลแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ทันม่ะไม่ทันมะนทุกอีกแล้วเราไม่ได้ตั้งหลักใหม่ได้เนาะอย่างงั้นพวกเราบางทีภาวนาบางช่วง ที่มันสบายที่มันรู้ตัวดีเราก็ต้องพยายามทำใหเรื่อยนะภาวนาไปนะอย่าประมาทว่าอ่านะสบายแล้วมันดีแล้วนะหรือว่าทําหเราที่เกลียดที่พันหรือว่าตอนไหนมันเจอปัญหาเจอรุนกรุ๊กแลมันทุกขก็อย่าไปโทษตัวเองว่ามันไม่ดีนะหรือว่าอ่าแย่หรือว่าเนะ yeah. ราพิโนะ มันเป็นการเลือนเราว่าเตือนนิสิตจิตกรของเราที่เราจะต้องเร่งความเปลี่ยนต่อที่เราต้องพยายาพัฒนาตัเองต่อนั่นเราต้องทำนะต่อไปไอที่มันเคยติดไดเยอะนะมันก็เยอะติดน้อยลงเบาลงแต่ก่อนติดหนักตอนเติดเบาลงแล้วต่อไปก็จะเห็นบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกิเลสอะ แต่ก่อนมันก็มันดีแต่ก่อนเนื้อมันไม่เป็นปัญหาแต่พอเขาภาวนาไปเรื่อยๆมันก็ได้เห็นความพอใจความไม่ปพอยใจเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่ที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมันก็อย่างเครื่องเครื่องเของกิเลสเครืองของความอยากเครื่อของความยึดในบางอย่าง เนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นไปก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีอะไรนะแต่มันก็ทจริงมันก็เป็นแบบนี้มานานนะแต่เราไม่เห็นเรามีรู้นะแต่พอภาวนาละเอียดขึ้นไปแรื่ก็มันก็จะเห็นก็จะรู้มันมากขึ้นแต่รู้แล้วรักมันได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะรู้แล้วบางทีก็ต้องอาศประสมการณ์รู้ไปบ่อยรู้ไปบ่อยจนกระทั่งมัน มันละได้ครับแรกๆมันก็อาจจเหมือนคนละด้วยการขบด้วยการขบเมือนเราติดอะไรทุก อ, อย่างเพราะเราติดอะไรหนักๆนีกาแฟตอนนี้แหละตอนนี้ละได้ยัง ไ, ไม่คิดจะละ <laughs> คิดแต่กินเรื่อไป หนไ่งข้อกปกตินอนนอนประมาณกี่ชั่วโมงโอ้โหเจ็ดแั่วโง้ท้องกนกาแฟจอยาวนกินแล้วสึกเครียมันหอมไม่ได้ติดรสชาติกาแฟติดกลินอะกะแฟ อ่าบางอย่างตันก็บางทีมาในอินเทอร์เน็ตในข่าวก็มีด้วยนะะปยชน์ของกาแฟมีหลายอย่างอืมันก็มีแต่บางทีเรื่องนี้มันก็ไม่ตายตัวนะอืมอย่างกาแฟนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็จะแล้วแต่แต่เรากขเทียนนะ ท่านพูดว่าไอ้บางอย่างน่ะท่านละเล่นงานไปก่อนเพาะเตียนสู่บุตรีตอนปฏิบัติธรรมจำนริญคารว่าพอมาเข้าใจธรรมะท่านจะทิงบุตีได้ท่านบอกตอนไปปฏิบัติธรรมท่านเนื่องจากอยู่วันนั่นแหละจะออกวันไ่สำรวจท่านชื่อบุตรีไปเป็นอะไรเป็นแบบเย อ, ยอยะๆอ่ะเราไปแบบการไม่ต้องออกไปข้างนอกสูนน่ทะเล ท่านติดนะติดสรแต่พอท่านก็จะชนะท่านท่านทีเลยนะแต่พวกเราบางคนติดอย่างนะเหมือนตอนแรกเราต้องแบบเหมือนมันโมใจนะนะยางมาช่วเราบางคนอาจจะติดเล้าติุรีบางคนะเคยตอนแรกจะต้องแบบต้องโผงใจนะไนิยมไติดไม่เส ดีมากบองคนเนี่ยที่วัดบิงที่พระอาเรื่องท่านไปก่อนเคยสูบกรดีพอมาที่วัดเขาไม่ให้สูบดีคนระับกวัวจะเลิกได้เนี่ยต้องแบบทําใจคนควรแอบแฝงแม่ก็ แ, แอบแ <c oughs> แอบเหมือนก็ยังติดอยู่แต่ก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังเลิกไม่ได้มันเหมือนข่มไม่ได้หรอกลบไปก่อน มันเหมือนเราคลายๆมั น, เ ป, นเป็นเรียกว่าเป็นสิงก็ได้เอาอย่างเดียเรเราก็มีสีงเลยการที่ผมไว้ไม่ทำตามสิ่มมนผิด ห, หรือว่าถ้าพัฒนาใหม่ก็เหมือนไม่สนใจมันเช่นบางคนอนะ่ะเช่นบางคนเห็นเพื่อนถูกเห็นเพื่อนกินหรือบางคได้กลิ่นกาแฟมันรู้สึกอยากขึ้นมา มันจะรู้สึกอยากตอนนี้น่อเรามีติ่ผัตสะมาร่อถ้ามันจะเกิดอารมณ์างคนเ็เลยใช้วิธีหลบวิธีที่อย่งางนะหรือว่าไม่ให้มันเห็นนะใช่ไหมมาเรียนพระเราเริ่มนะท่านเดือดรับการเอาตัวดีเอาไปซ่ อ, อ, อ, อนไว้ไม่ไม่เห็นก็จะได้ไม่อยากแต่จริงไม่เห็นก็ยังอ ย, ยากแต่เหมือนที่พเไปซ่อนไว้มันเดือดอการปงแตกมาอย แต่พอคนเลิ่นไล่โย่นะมันอยู่ตอนห้าตามันก็ไม่อยากอมันก็ทิ้งได้ไมไ่อะไรอะวอดอันเนี้ยเหมือนถ้าเรามีทินงแคนะ่สีนะติ้ก็คือข่มไว้หรือว่าห้ามใจไว้หรือถาสมาธิอ่าก็คือใจมันมีความสุขมีความสงบมีความสบายก็เหมือนเราพยายามเหม น, น ยังแค่ไม่สนใจน่ยเรามาอยู่กับอารที่สบายที่มีความสุขมันก็เลยดูดกิเลสไปชั่วคราวดูดสิ่งที่อยากไปชั่วคราวแต่ถ้าปัญญาเนี่ยจะมีอะไรมาล่อมีอะไรมาชวเนี่ยมันปฏิเสธได้ไม่อะไรอวบเนี่ยดูดีก็ดีเล่าก็ดีแต่พ่อเทีนก็ถ้าติดกาแปฟก็มีท่านพอ เราก็เจอคนที่ก็รักได้เลยรักกะแฟได้ฟูดีกาแฟแต่ก่อนกลวงพ่อไม่ติดแต่สมวงพ่อที่นั่บอกว่าใอ้ตัวที่ลักยากขึ้นมาอีกโอนติโอติอ่มันอาจจะมันคล้ายๆมันไม่ได้แต่ไม่ได้ตำความอธิบาย แต่อันนี้มาเข้าใ จ, าจาดีแต่จริงจริงเนี่ยแ่เนี่มันเหมือนอาจจะพออย่างเช่นคือูว่ามังมันบวดแล้ ว, ว, วรลตรงทีอาจจะเหมือนเงิไม่ได้ทันเข้าเย็นอย่างนี้นะก็ต้องมี น, น, น้ำปันนะแต่ก่อนอาจจะไม่มีอะไรมากก็ทงโมจริงนะก็อาจจะทงโมจรนินเป็นปรนะจาเนี่ยมันก็อาจจะเห็นว่าที่จริงบางขนาดอย่ า, ปางปั่นนั่นจริงมันคือ มันคือยาอ ม, มันคือสิ่งที่มันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าต้องจําเป็นต้องมีตลอดเวลาแต่บางคนก็คิดว่ามันต้องจําเป็นทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวันนะถ้าตัดไปเห็ความติดแบบนั้นอนะบางทีวันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกโงยไมไ่รู้สึกหนืไมไ่รู้สึกเหนื่อยอะไรแต่ก็ต้องกินมันมาว่ามันไม่ใช่ว่า อย่างบางอย่างไม่ใช่เป็นโทษโดยโดยตัวของมันเองแต่ถ้าไราเห็นว่าอ๋อสภาวะติดคือแบบนี้นะติดคือมันติดใจในกลิ่นหอมมันติดใจในรสชาติอ่ามันติดใจในความรู้สึกอะไรบางอย่างอันเนี้ยคือสิ่งที่พอพอเราเห็นแล้อ๋อเราติดตรงนี้แต่จริงก็ไม่นใช่ว่า กินไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยาตะมาเองกาแฟจะมีคนส่งมาถวายเราก็กินนะไม่ฉันแต่ก็ไม่แต่ก็อยู่ที่คนก็ไม่มีหรอกไม่ไม่หามาอก็ไม่ฉันเป็นประจําน้ำร้อนกาแฟอเมดีโคโค่เลยก็มีคนถวายบ้างแหละนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ฉันอฉันตอนมีคนทําให้ก็คือก็แล้วแต่แล้วแต่คนนี้มา มีฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้มาว่ามันสบายไม่จําเป็นว่าเราจะต้องต้องกินมันตลอดเอต้องเกี่ยวข้องกับมันตลอดแต่ถ้าบางอย่างที่มันชัดเจนเออมันไม่ดีใช่ไหมมันก็ปฏิเสธไปเลยปฏิเสธไเลยที่ยาเสพติดติดเยอะๆแบบนี้แต่บางอย่างมันก็อรียกที่ว่ามันไม่ชัดเจนว่ามันผิดนะ แต่สระ บ, บางคนมันก็ต้องรู้ห่วนะว่ามันเราถึงโลกถึงไทยทางไปแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมเช่นบางคนเป็นเบาหวานเนะก็ชอบจะกิอของหวานใช่อห ม, อมอก็จะกินผลไม้แบบหวานใชเช่นหน้าีิสูเดียนนี่ก็ชอบนะบก็เลยยั้งใจไม่ได้กินไปหลายน้ำตาๆก็ขึ้นใช่ อันนี mình mình mình mình th ้คือแต่เรงคนไม่มีปัญหาเราคนไม่มีปัญหาก็กินไปไม่เป็นไรแต่นี้คือไอ้พวกนี้มันแต่เราคนไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันหรือเราภาวนาก็เหมือนกันแล้วก็คือขนาดตอนเช้ามัน่วงขนาดนี้ตอนเที่ยงเราไปกินถ้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็เลยง่ว้งแต่พอเราเห็นตอนเช้ามันไม่ไปเกิดขึ้นเมื่อไหรตอนเที่ยงก็กินแบบไม่ต้องกินเยอะแต่ไหน ไมแน่นท้องมันก็ทำให้เราภานาได้เยอะหรือบางทีตอนเย็นเนี่ยพวกเราเปีนทาราว่าเย็นนี้มันก็หมือวันนี้เราไม่ก็จะกินใจแรงไม่ห้เหนือยอะไรเท่าไหร่กินนิดหน่อยพอเป็นี่ทีก็พอแล้วไม่ต้องไปเต็มที่อะไรใช่ไหมเพราะว่ามางทีมันก็แน่นท้องมันก็เบือเนอันนี้เราก็ต้องดูที่แม้ว่าพวกนี้มันเป็น มันจะรู้ว่าอะไรจำเป็นไม่จาเป็นขนาดไหนไม่ใช่ทอไม่ใช่ท ำ, ทำตามแค่สัญชาตญาณ น, นะหรือบางทีบางทีก็มากกว่าสัญชาตญาณเราก็ทําด้วยความชอบอชอบอชอบอันนี้ก็กินได้เยอะไม่ชอบอันนี้ก็ไม่กินเลยแม้บางทีมันมีประโยชน์อันนี้นะแต่เราต้องรู้ฐานว่าที่เราทําที่เราไม่ทาเนี่ย มันพราะความชอบความไม่ชอบมันบกพร่องหรืไม่ดีเรา ก, ก็ต้องเห็นนะนัเ่เก็บมีสติถ้าเรามีสติมันเดือดมันจะกลับมาเห็นถ้าเรารู้สึกตัวนะที่ทํามันจะกลับมาเห็นนะการกระทำํำในทั้งต่อไปมันเป็นแบบไหนนังเกตบแม่บางทีทานไปแล้วต้งกี่แล้วนะกินไปแล้วแต่พอเรามี มีขนมมีของหวานมาใหม่ก็อืมก็ไม่อี่จริงก็อยากกินใช่ไหม <c oughs> อันเนี้ยมันมันก็พี่กินมันก็ไม่ผิดอะไรมากมายแต่ถ้าเราดีๆเราตีหิน ม, มานกินแล้วก็เราก็จะเลือกไดนะ้นะเราจะเลือกแต่ทำบางขนาดอย่างดินพระมันมีก็ทำอยู่เห็นนกสัตว์โยงก็แบบแต่ทำมากถ้ามร่รับเลย เขาะว่าจะกินตกก็นิดๆหน่อยๆพอเป็นพี่จีล้วก็ก e. ็คือก็ไม่ใช่ว yeah. ่าเราต้องยึดมั่นในหลักการแข็งอะไรแบบนี้ก็ดูดูสภาพคนผูดู้ถวายด้วยนี่ก็เหมือนกันยอดยมบทีเราอยู่บ้านบางทีโอ้แม่แล้วอยากจะให้เรากินเห็นลูกกบงานบ้านก็อยากจะให้กินก็ก็ต้องกินนิ่หน่อยไปเ ลูกนะแม่ก็เหมือนกันบางทีลูกก็เอาอะไรมาให้บางทีแม่ก็อาจจะไม่ได้ชอไม่ได้อยากนะครับต้องรักษาแต่อันนี้มันเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนเนาะหรือเพื่อนเนี่ยเราก็แข็งมากก็ไม่ได้แต่ก็ต้องยืดหยุ่นแต่ยืดหยุ่นไม่ใช่ว่ายืดหยุ่นไปทั้งผิดศีลนะผิดทางมเลยนะยืดหยุ่นในแง่ของ ของปริมาณหรือของสารเทศะแต่อะไรที่มันผิดิีิีธรรมเนี่ยเรามี้นะีืนนะอาเดชาร์จะให้เราไปฆ่าศาตร์จะให้เราไปทรํร้ายคนื่นเนี่ให้เขาไิดแม้เราเราก็รู้ว่าเราไม่ทำเขาจะไม่ชอบแต่เราต้องก็งงนะต้องชัดเจนว่าเราเรไม่ด้ไม่นะแต่าบบนี้ใช่อือือบางทีเพื่อดดี เคยมีทีน่นหาหอของมันนะเราไม่เราไม่รู้ว่าผิดศีลเราไ ม, ามา่อยากทําแล้วก็ชัดเจนไป แ, ปแกกย่ๆก็จะไม่พอใจัวนเวลาจะตนนันะแนตันแหนไปแต่พอต่างๆเขาเ่มตัว น, น, นี้มันมันไม่ไปแลยเนาะมันไม่ไปแลยเนา ะ, ะมันก็จะได้่วนไปแต่แล้วเราไม่เด็ดขาดเราไม่ชัดเจนบางทีก็จะชวนเปนเรื่อยๆชวนไปเรื่อยๆอันั้นบางทีเรากต้องมีการยืดหยุ่นแต่ต้องให้ผิดศีล เพราะถ้าผิดศีล้วก็ผิดธรรมเป็นตัวแต่ว่าผิดศีล้วไม่ผิดธรรมไม่ได้หรอกมันผิดศีลนะก็ต้องผิดธรรมแต่นอกจากการทำางอย่างมันมันทำก็เป็นรูปายนะจะเป็นรูปายอย่างเราได้กินข้าวเทศ่ยงข้าวเที่ยเมื่อกี้บางทีมันพอก็หลอกินบ้าหลอกินบ้าแล้วหมอพยาบายเขาจะมาค่าต้องรีบขึ้นรถนะเห็นไหม ต็หอกมันบางทีพูดพูดตรงๆก็ไม่ค่อยใจมนไม่ใช่คนกติเนี่ยมันก็ต้องหลอกล่อบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นมุสาแต่เพื่อเจตนาเนี่ยจช่วยเขาช่วยเขาให้เขาดีขึ้นเป็นอุบายไม่เป็นอุบายไม่ได้ในเจตนาแต่อย่ามาเฟินมุสาบางทีมุสาเพื่อหวังผลประโยชน์ใช่ไหม มันคนขายของอะมุสาว่าโฆษณาศัพท์คุณมันเกินไปทั้งที่เรารู้ว่าเราคิดว่ามันไม่ดีขนานหรอกแต่เราพูดเพื่อนีไยเพื่ออะไรเราหวังบางคนปราาะโยชน์แล้วเราจะต้องซื้อแล้วก็ซื้อเรานี่คือมุสาไม่คือมันกิดเพราะอะเพราะความความโลภเนี่ยหรือคนมุสาที่ความกลัวบางทีก็กลัวกลัว ตัวเขาจะมี่ชอบเราหรือตัวเรแคร์เหตุผนเนี่ยถ้ารูา้ส่าพวกนั่นคึอมันมีกิเลสมาเตือนแต่บางอย่างเราเอาพูดไม่ตรงนะกนะแต่ไม่ใช่ว่าเจตนาไม่ดนะีแต่ตัวเป็นกูบายเขาอยานี้ก็เป็ี เ, เรื่องหนึ่งถ้าเราไอพวกนี้นเราจะร์ต่อไเองเมืเ่อเห็นแล้วไม่ต้องถามใครเพราะเรารู้ตัวเองนะเรารู้ตัวเองว่าเราทํา ติดเนี่ยตามไปเพื่ออะไรนะเนี่ยคือสติทํางา น, นนะสติมันจะเป็นตัวทําให้เรามีปัญญาเวลาเราใช้คิดทางโลกนะแต่ก็ไม่ทิ้งธรรมถ้าเราไม่มีสติเนะี่ยไม่ได้ใช้คิ้ดทางโลกแแบบทิ้งธรรมไปเลยนะอืมเขาว่ามนาะเขาโกรธเขาประดาเขาอตามน้ําไปเนี่ย แต่เราไม่พิงนะเราต้องไม่พิงนคะ่ะแม้เกจะว่าเราขี้แพ้แม่เกิดจาว่าเราไม่สู้คนถึงมันนะหรือว่าเกิดจาเรายอมคนมาบ้างทนเขเิดเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ใจที่มันมีค่ามากกว่าการชนะเขาด้วยการต้นเขียนแต่เราชนะใจเราที่ไม่ทำามความปวดเราเห็นว่านี่มีค่ามากกว่าม คนหนี่งจะมองอยังไงต่อท่านของเขาอย่างที่ปาสิตั้าบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารปาริเหตนะมาไม่เข้าใจทำไม <c oughs> มีปาสิตแบบนี้ผิดอผิดแน่เลยทำไมเรื่องแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร <c oughs> คนเราก็เห็นชนะเนี่ยเราแค่อยากชนะ <c oughs> แต่มาว่ามันก็คือว่าเนี่ยบางทีในทางโลกที่เรามุ่งกาเอาชนะ แล้วันแบบชนะแบบแบบข่มเพียงคือชนะแบบนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกันได้การอะไรเน่ยมันเป็นมันไมอกไม่บอกเพราเกิดตัตาเกิดมานะเกิดความยึดติดเกิดความผูกมากบาอย่างแต่ความท้อแท้บางทีเหมือนทางโลกเหมือนเหมือนเราเหมือนเราไี่สู้คนเหมือนเราอะไรก็ยอมให้คนอื่นเขาทำนะ แต่จริงเราต้องเชื่ว่าต้องยอมแบบนั้นนั่นเองว่าแต่เราไม่ไม่ไปถือสาเราต้องอยากให้เราไปไปเราเรารู้โกเทียนไปก็ไม่เกิดเลยเราไม่ต้องโกเทียนก็จบคนที่เกิดก่อนนะคือคนที่มีสติอเนี่ยเหมือนคนทะเลาะกันแฟนอะไรแฟนทะเลาะกันอ่าใครหยุดก่อนนั่นแหละคนมี ก็มีปัญญาพอนะใช่ไหมแต่ใคร <ừ ừ S 2> ไม่ยอมหยืดนันก็ืะมันก็เพลินเขาต้อทำเองด้วยเหมือนที่พุทธเจ้าน บ, บอกว่าคนโกรธก่อนเนี่ยเขาก็โกรธแล้วเราไปโกรธตามเขาอีกเนะี่ยเราโมโหเขาเขาโกรธแล้วนี่เขาสแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาโดนนะมันไม่ดีแล้วนะมันผิดแล้วนะแต่เราไปโหยตามเขาเนะี่ยเราโมโหเขา ถ้าหลมกันไปทั้งคู่แล้วใครยุดได้ก่อนนะนะนั่คือเปิทิศตลาดขึ้นมาแต่บานทีบางทีเราทีเราอจะเือนหรือหลงหรือโกรอะไรบ้างแต่ขอให้เราเวลาเกี่ยวข้องที่เราเป็นคนจุดก่อนนะหรือถ้าเขาโกรธเราขอขอให้เราเป็นคนตั้งสติดีก่อนไม่กลับไปโกรธเขาแต่อย่างนึงสําคัญนะบางทีพอเราทำพลาด เราจะกลับมาปวดตัวเองเราจะกลับมาไม่ชอบตัวเอแล้วกรู้สึกไม่ดีตัวเองคนที่คุณให้ไปคนซื้อเราบางทีมั น, น, นก็ผิดพลาดได้นะแล้วก็เออเป็นบทเรียนให้เรารู้หรือรไม่ท า, านเราก็เลยขาดสติไปตันะ้งใจใหม่ตั้ ง, งหลักใหม่คอยแจกกลัมาเป็นปกติพอเราไปเกี่ยวข้องตัวตนอื่นต่อข้อคก็ มันก <Ừ. S 1> ็เด <Ừ. S 1> ีเก <Ừ. S 1> ี่ยวข้องแบบอย่างที่มาบอกบางทีให้สัญญาของเป๋าเขาผ่านแลนะที่สวิตติหาท่านเขาวางไปวางไปก็มาเกี่ยวข้องกันใหม่พอเคยพูดไปดีกับเราก็มันก็เห็น้องวานไปแล้วน้องวานก็จะมีอารมณ์ก็จะไม่พอใจกันบางวันนี้ก็มือเขาเรียนดีมืเป็นปกติเดี๋ยวเ้าก็ ดีกว่าถ้าเราแบบเป็นกดก็อยู่แล้วก็เปนกระช่วงกระชั่นเขาเขาก็ยิ่งอารมณ์ซึนมาอีกใช่ไหมเนี่ยเรารู้นะดีเราให้เราเป็นคนเริ่มที่จะหยุดก่อนเหมือนอย่างที่พระองค์ก็ดีมาตื่นจากได้พระพุทธเจ้าบอกให้พระุทธเจ้าหยุดเขเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าจะหยุดก่อนนะหยุดการทําชั่วหยุดความหลงได้ก่อน โง่ขึ้นมาค่อยได้สติค่อยได้อห็่ตาเนะก็พูดที่ฟังก็ให้เราเป็นกำลังใจให้เราเป็นภาวนาต่อเพราะว่าแต่เราต้องแยกย้ายไปแต่แต่แต่ที่ความเพียรแล้วกันเยอนะให้มันช่วงไหนที่ชีวิตเรามีความสุขดีไม ah. ่ค่อยมีปัญหาก็ก็ให้ภาวนาไปเรื่อยเป็นปริญญาเหมืน สดสมไปสดสมไปเมื่อเราหาเงินหาพองน่ะหาไปหาไใครื่อถึงคราวเจ็บป่วยเมือถึงคราวจำเป็นต้องใช้ก็จะได้ใช้แต่ถ้าเราไม่หาไว้พอจะใช้มืนก็ต้องไปอไปยืมคนอื่นใช่ไหมหรือไม่มีใช้ก็ลำบากแต่เราสะสมไว้เมื่อไหร่พอเราจะใช้ก็ใช้ได้อาภาวนาก็เหมือนกันบางทีมก็รู้ มันก็ด the the really ูชีวิต so ก็ลาอื่นดีไม่ได้เป็นหาดีแต่เราก็สั่นโตกันพอเจอเอิบกรพอเจอปัญหาน่ะก็จะได้สติก่อนเราจะเจอสติตั้งหลักไว้ที่เปิดเจอความท้าท้าสูญเสียเปิดเจอคนมีนทาว่าร้ายเปิดเจอโลกรคให้เจ็บป่วยเกิดกับตัวเราเองเราจะได้ตั้งสติได้เนี่ยคือเราต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นอะไรมาก หรือใครอาจจะมีปัญหาตอนนี้แล้วก็ก็ถือ่เป็นโอกาสดีในการที่เราได้ภาวนาได้เห็นได้มีการบ้างได้ทำทุกวันทุกวันเพื่อเวลาก็ากาาจะเป็นโอกาสดีในการที่เราได้ปลุกคเนาะนะักบวชบางคนนะเร็บบพระนะนะ